อันธรรมยังธรร ม, มาพิชิตสิ ง, สงาาการุณาเสงตวรังกาตตาจิกุณนายกวาเสนาสุยอพระทําเป็นสิ่งที่พระเจรพระประกอบด้วยคุ่นคือความที่พระผุ้มีพระปาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น โยมกัปปะกัปาริยติโมกัพเบตุเป็นทัมัญจมแห่เปนมรรคผลปาริยและนิพพานอมโขปุลรหะพันาตัสตาธาริธารีเอ็นทัมรงไว้ซึ่งผู้ทรงทำจากการตกไปดุริยูรุวันธรร อันเป็นเครื่องประจักษ์เสียดึงความมืดธรรมบุญยศปภานินาสารนังเก่ยมมุตตะมันพระธรมใดเป็นสารนังอันกะเปนสุขุสังสารายตูธิญาณุจติทานา ที่ตั้งแห่งความรักคงที่สองด้วยเสียงก้าความมัายสัมิทาโซวะธรรมโมเมสาบิคิสรุนพระเจ้าเป็นาตาของพระธรรมพระธรรมเป็นไานในอิสรามิระพระเจ้าธรรมวตุกาสสนาตาจาบิตาชาบิติสเม ถ้าทำเป็นเครื no ่องกำจัทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสังมยาเทมิสาริยันชีวิตสันติชัข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหั่นใจสามิธรรมเสวะสุธรรมตัง อยู่จากพระพฤติรมเพื่ความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมศสารนังอันยังทำโมเมสารนังวรังสารนาอื่นของพระปัจจาไมมีระธรมเป็นสารนาอันประเสิฐของข้าปเจ้าเตเตนะชาจาวัเเนะวะทะยังสาธุศาสน ด้วยการกล่าวคำสัตนี้ข้าพเจ้าพึงจะเินในพระศาสนาของพระศาสดาสามเณรวันธรามเนรนั่งอย่างสุญญ์สุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้วนไถยบุญใดในบัดนี้ สาบิสัญญาญาเมเ ม, เมสาสุขสเตยสญาอันตรายทั้งพวงญาได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเตแ่งบุญนัน้นกายเาาายาวาจาเยาวเชนละสาโดวยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจ ก, กด็ดีดดดำะะทำเมกุกรรมกับกตัไม่ชายัง ทำหน้าดีเสียนอันใดที่ข้าไปเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมคำวโาปฏิฆาหสุขาเทียนตันนนนนงขอกระทำชมโสดึง โ, โทร่องเกิดกันนั้นการแต่สังวริสุธรรมเมเพื่อการสำรวมระวงังในพระธรรมในการต่อ ไ, ไป